พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังตัดภพตัดชาติหรือว่าเรากําลังก่อภพเก่อชาติถ้าเรา ทำตามทำทำตามทางของทานศีลภาวนาเราก็กำลังตัดพบตัดชาติกันถ้าเราทำตามความอยากทำตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาทำไปในทางราบยศ สรรเสริญไปในทางของความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายก็เป็นการก่อพพก่อชาติเราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อ ย, เ, อยเหมือนกับเวลาเราขับรถเราก็ต้องดูทางว่าเรากำลังไปทิศทางไหน ไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่เช่นเวลาเดินทางมาที่นี่ถ้าเราเป็นคนขับรถเราก็ต้องคอยดูทางเวลาถึงทางแยกเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเลี้ยวไปในทางไหนถึงจะทําให้เรามาถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ ฉันใดการพิจารณาอยู่เนืองๆก็เป็นเหมือนกับการดูทิศทางของการเดินทางของพวกเราว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนกันแน่ถ้าเราไปในทางที่ผิดเราก็จะได้แก้ไขย้อนกลับไปในทางที่ถูก ถ้าเราไปในทางที่ถูกเราก็พยายามเดินต่อไปไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนขอให้เรามีความเพียรเป็นหลักมีความพยายามเป็นหลักพยายามเดินทางไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้าง ไม่เป็นปัญหาอะไรตราบใดที่มีการเดินทางไปในทางนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังสร้างพบ สร้างชาติหรือกําลังตัดภพ Pos, ตัดชาติถ้ากําลังตัดภพตัดชาติท่านก็เรียกว่าเป็นกุศลาเป็นกุศลถ้ากําลังสร้างภพ Pos, สร้างชาติท่านก็เรียกว่ า, เ ป, า, าเป็นอกุศลาเป็นอกุศลเราต้องสร้างกุศลาสร้างกุศล ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่อย่าไปรอให้เขามากุศลาให้เราเวลาที่เราตายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่หลวงตาท่านเคยสอนอยู่เรื่อยๆว่าอย่ามากุศลาตอนที่เราตายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กุศลานี้ต้อง ทำในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปแล้วให้พระมาสวดกุศลานี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ตายหรือต่อผู้อยู่ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนะักจากการได้ยินคําสวดกุศลาเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ไปงานศพก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังพระสวดกัน และสิ่งที่พระสวดก็ฟังไม่เข้าใจกันเพราะเป็นภาษาบาลีจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์สวดก็สว ด, ดไปก็เท่านั้นเพราะเป้าหมายของการสวดก็เพื่อให้คนตายเพราะถ้าไม่มีคนตายก็จะไม่มีการนิมนต์พระมาสวดกุศลากัน แต่คนที่ตายไปแล้วนี้ไม่สามารถที่จะทํากุศลาได้และไม่มีใครที่จะมาทํากุศลาแทนกันได้ต้องกุศลากันเองกุศลาในขณะที่มีชีวิตอยู่คือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคือการทําทาน การรักษาศีลและการภาวนาอันนี้แหละเป็นกุศลารร ม, มาเป็นการกุศลาให้กับตนที่เป็นคนเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงการสวดกุศลาให้คนตายนั้นคนตายไม่ได้รับอะไรเพราะคนตาย ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ตนได้ทำไปแล้วประโยชน์ก็จะอยู่ที่คนเป็นแต่คนเป็นก็ไม่รู้ว่าจะตักตวงประโยชน์จากการฟังกุศลาอย่างไรเพราะฟังไม่เข้าใจก็เลยไม่สนใจปล่อยให้พระสวดไป คนฟังก็สนทนากันไปเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราพยายามพิจารณาอยู่เนวๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่วันนี้เราได้ทําทานกันหรื อ, อยังวันนี้เรารักษาศีลกันอยู่หรือเปล่า วันนี้เราได้ภาวนากันหรือไม่นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทบทวนอยู่ทุกวันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ทบทวนเราจะลืมได้เพราะเราจะมีภารกิจอื่นๆซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นภารกิจก่อภพก่อชาติทั้งนั้นที่จะมา หนึ่งเอาเวลาอันมีค่าที่เราจะใช้กับการตัดภพตัดชาตินี้ไปถ้าเราไม่พิ จ, จารณาเราก็จะไม่รู้สึกตัวเราก็จะถูกเหตุการณ์ต่างๆภารกิจต่างๆฉุดลากเราไปสู่การกาะภพก่อชาติโดยที่เราไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ก็จะทำให้เกิดสติขึ้นมาเกิดความตระหนักขึ้นมาว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนกันแนะ่ เราต้องการไปเกิดแก่เจ็บตายหรือเราต้องการยุติการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไปในทางเกิดแก่เจ็บตายเราก็ไปสู่กองทุกข์ถ้าเราไปสู่การยุติแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ไปสู่กองสุข กองสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานทศสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันถ้าเราอยากจะเจริญตามรอยพระพุทธบาทเราก็ต้องไปในทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งดำเดินไปด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างขมักขมัน ไม่ใช่ทำแต่แบบอพอหอมปากหอมคอไม่ให้เสียศรัทธาอันนี้จะไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรการจะทำอะไรนี้ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้เต็มที่ไปเลยเอามันข้างใดข้างหนึ่งไปเลยอย่าเหยียบเรือสองแคมอย่ารักพี่เสียดายน้อง ทานศีลภาวนาก็อยากจะทำลาบยศสารเสริญสุขก็อยากจะได้ถ้ามีความอยากทั้งสองแบบนี้ก็จะไปไม่ถึงทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันถ้าอยากจะไปถึง ทางที่พระเจ้าและพระอาหารหันตสาวกไปถึงก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบาเพญ็ญกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาเหมือนการลงทุนก็ต้องลงทุนมันทั้งหน้าตักเลยเวลาเล่นการพนันบางทีเขามีเงินอยู่ที่หน้าตักเท่าไหร่เขาทุ่มลงไปเลยยอม ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปไม่รวยก็เจ๊งกันไปเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งเล่นไปทีละเล็กเือาน้อยเล่นกันทั้งคืนกำไรก็ไม่ได้เท่าไหร่ขาดทุนก็ไม่ขาดทุนเท่าไหร่ซู้เอามันเอาทีเดียวเลยหนเดียวดูแล้วรู้รอดกันจบไปเลย วินาทีสองนาทีสองนาทีก็รู้ผลแล้วเจ๊งร่อรวยไม่ต้องมานั่งหนังขดหลังแข็งเล่นกันทั้งคืนนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลหรือไม่เกิดผลขึ้นมาก็คือการทุ่นเทชีวิตจิตใจให้กับงานงานที่เราต้องทำกัน ถ้าเราทุ่มเทกันอย่างสุดเหวี่ยงอย่างเต็มที่ผลมันก็จะออกมาอย่างเต็มที่และรวดเร็วถ้าเราทุ่มเทน้อยผลมันก็จะออกมาน้อยและนานกว่าจะออกมาได้มันอยู่ที่เหตุของการกระทาของพวกเราไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอน ไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงสาวกไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นอยู่ที่การบำเพ็ญของเราเป็นหลักอยู่ที่ความเพียรความเพียร น, นี้เป็นธรรมที่สาคัญอย่างมากเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าจะหลุดพ้นได้จากความทุกข์ก็ต้องมีความเพียร ถ้าไม่มีความเพียรแล้วทมต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาธรรมที่เราต้องการก็คือสติสมาธิและปัญญาอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจ สำหรับการตัดภพตัดชาติต่างๆให้หมดสิ้นไปต้องมีสติสมาธิและปัญญาทำเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเพียรและก็ต้องมีศีลและทานเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ผลักดันไปถ้าไม่มีทานไม่มีศีลก็จะ ไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญการเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเองจึงจำเป็นต้องทำทานเพื่อจะได้มีเวลามารักษาศีลมีเวลามาปิกวิเวกมีเวลามาเจริญ สมถภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาการทำทานก็คือหมายความว่าให้เราหยุดการหาเงินหาทองหยุดการใช้เงินใช้ทองนั่นเองเป้าหมายหลักอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทอง เราก็มาใช้เงินใช้ทองถ้าเรายังต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องหาเงินหาทองเราก็ต้องไปทำงานทำการไปทำมาหากินเวลาที่เราจะเอามาบาเพ็ญก็จะไม่มีถ้าเราเลิกใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือหาความสุข เราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามาหาความสุขจากการบำเพ็ญจากการรักษาศีลจากการเปรกยเวกจากการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือความหมายของการทำทานคือไม่ให้เรา แม่แม่เราต้องไปพึ่งพาอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์ที่พุ่มห่อด้วยความสุขแบบบางๆผิวบางๆเหมือนกับยา ขมเคลือบน้ำตาลยาขมเคลือบน้ำตาลผิวน้ำตาลที่เคลือบอยาขมนี้มันบางๆถ้าเราใส่ปากขมไว้ในปากเดี๋ยวเดียวน้ำตาลก็จะละลายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความขมฉันใดความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองก็เป็นแบบนั้นเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเวลาที่เราได้ใช้เงินใช้ทอง พอเงินหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะต้องไปหาเงินทองมาใหม่แล้วถ้าไม่มีปัญญาหาเงินทองมาได้ก็จะยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่เวลาที่สูญเสียเงินทองไปก็จะเกิดความทุกข์มากบางคนถึงกับต้องข้าตัวตายไปก็มีเพราะว่า ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากเงินทองได้ต่อไปนี่เราเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเราจึงต้องยุติการหาความสุขแบบนี้กัน mm hmm. เพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่มีความทุกขุมหออยู่ก็เรียกว่าเป็นน้ำตาลเคลือบยาเคลือบยาขม การมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นเหมือนกับอมยาขมที่เป็นเปลือกเป็นผิวบางๆพอละลายไปแล้วก็จะเหลือแต่น้ำตาลหวานๆให้เราอมออการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นมันจะยากมันจะทุกข์ทรมานใจเพราะจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรักเคยชอบเคยหวงเคยแหนแล้วต้องมาอยู่ ตามลำพังเพียงคนเดียวเพื่อที่จะมาเจรานสติมาทำใจให้สงบช่วงนั้นจะมีแต่ความทุกข์แต่พอเราได้ถึงเป้าหมายคือความสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความหวานของรสชาติแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นแหละ การมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมการไปทางโลกไปทางทา ง, ทางความสุขทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายทางลาบยศรรสรรเสริญนี่เป็นเหมือนไปสู่น้ำตาลเคลือบยาขมหวานเดี๋ยวเดียวหวานตอนใหม่ๆเวลาแต่งงานกันใหม่ๆนี่หวานเจี๊ยบเลย พอไม่นาน้ําตาลที่เกลืบเหมือนก็ละลายหายไปเหลือแต่ยาขมเกินไม่เข้าข่ายไม่ออกจะยากันก็ยาไม่ได้จะอยู่กันก็อยู่กันไม่อย่างไม่มีความสุขอยู่กันไปแบบทนกันอยู่กันไปจนว่าจนกว่าใครจะตายไปก่อนกันนั่นแหละคือความสุขทาง ลาบยศเสริญทางตาหูจมูกล่้นกายทางเงินทองเราจึงต้องยุติการใช้เงินใช้ทองหาความสุขต่งตางๆยุติการแสวงหาเงินทองเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นั่นแหละคือหน้าที่ของการทำทานถ้าเปรียบเหมือนกับจรวดที่เขาส่งยานอวากาศขึ้นไปสํารวจในอวากาศตัวยานอวากาศเองนี้ต้องอาศัยจรวดส่งขึ้นไปเวลาเวลาส่งยานอวากาศขึ้นไปก็จะมีจรวด ผูกติดไว้กับยานอวากาศเพื่อที่จะได้ส่งยานอวากาศนี้ขึ้นไปในอวากาศพอถึงจุดที่ไปยานอวากาศสามารถไปได้เองแล้วเจรวญนั้นก็จะแยกตัวออกจากยานอวากาศนั้นไปแล้วก็ตกกลับลงมาสู่โลกส่งให้ยานอวากาศได้เดินทางต่อไปได้ จันดายใจของเราก็ต้องอาศัยทานเป็นเหมือนจรวดส่งให้พวกเราเข้าสู่การบำเพ็ญให้ได้เข้าสู่การบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเข้าสู่การบำเพ็ญศีลของนักบวชคือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดแบบไหนก็ได้ ใช้ได้เหมือนกันสินแปดก็ใช้ได้สินสิบก็ใช้ได้สินสอยยี่สิบก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้รักษาศินว่าจะอยู่ในภาวะไหนทาหน้าที่ใกล้เคียงกันคล้ายกันทาหน้าที่สนับสนุนในการบาเพ็ญทาหน้าที่ปกป้อง จิตใจไม่ให้เล็ดลอดออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของศีลคือเป็นเหมือนรัว้วกำแพงเช่นเรามีสุนัขสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการที่จะให้อยู่ในบ้านของเราถ้าเราไม่มีรัว้วสัตว์เลี้ยงมันก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านได้ไปแล้วก็ไปสร้างปัญหาได้ ไปกับกับสุนัขตัวอื่นหรือไปลักขโมยข้าวของของคนอื่นเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและกับเจ้าของคือตัวเราเองได้การมีศีลก็เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ใจนั่นออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานั่นเองไม่ให้ไปก่อเรื่องก่อราวกับผู้อื่น ที่จะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความวุ่นวายที่จะมาขัดขวางการทำใจให้สงบนั่นเองจึงจาเป็นจะต้องมีศีลเป็นรั้วกัน้นศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองร้อยยิบเจ็ดก็ได้ศีลสามร้อยกว่าก็ได้เมื่อเรามีศีลแล้ว ใจของเราก็จะไม่ออกไปเพ่นพ่านเวลาที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบก็จะง่ายได้กว่าการไม่มีศีลหรือมีน้อยเช่นมีศีลห้าศีลห้ากับศีลแปดนี้มีความแตกต่างกันตรงที่ศีลห้าไม่สามารถที่จะล้อมครอบใจแม่ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอได้ ยังสามารถไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆได้ยังสามารถไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาได้ยังสามารถทำอะไรต่างๆเพื่อความสุขทางตาหูจมูกเป็นกายได้แต่ถ้ามีศีลแปลดขึ้นไปแล้วนี้ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็จะได้ไม่เสียเวลาไปกับการทำกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อจะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อที่จะเดินใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองนี่คือหน้าที่ของทานและศีลทานก็ส่งให้ใจได้ไปสู่การบำเพ็ญรักษาศีลสู่การบำเพ็ญภาวนาพอได้ทำทานอย่างเต็มที่แล้ว ได้มาสู่การรักษาสีลของนักบวชแล้วทีนี้ใจก็จะพร้อมที่จะรับธรรมของสติคำสั่งของสติสติก็จะสั่งให้อยู่ในปัจจุบันอย่าลอยไปลอยมาอย่าไปหาอดีตอย่าไปหาอนาคตอดีตมันก็เป็นเหมือนความฝันอนาคตก็เป็นเหมือนกับ ความเพอเจ้ามันไม่ได้เป็นความจริงความจริงมีอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านั้นจิตจะสงบหรือไม่สงบก็อยู่ในปัจจุบันถ้าไปอดีตไปอนาคตแล้วมันจะไม่สงบมันจะสงบได้ต่อเมื่อมันอยู่ในปัจจุบันสักแต่ว่ารู้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งนั่นเองหน้าที่ของสติก็อยู่ตรงนี้ ตรงที่จะพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่รู้ไม่ให้คิดตรงแต่งถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือถึงเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าอยู่ในปัจจุบันแล้วใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะทางเข้าสู่ความสงบก็คือปัจจุบันธรรมนี่เอง ไม่ใช่อดีตธรรมหรืออนาคตธรรมต้องเป็นปัจจุบันธรรมเอแลกธรรมที่จะทําให้จิตเป็นปัจจุบันธรรมก็คือสตินี่เองเราจึงต้องเจริญสติกันให้มากๆจเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ใช่จะมาจะเจริญแต่เฉพาะเวลาที่จะทําใจให้สงบเพราะมันจะไม่มีกําลังพอนั่นเอง ถ้าไม่ได้เจริญสติมาเลยทั้งวันพอถึงเวลามานั่งสมาธิแล้วหวังจะให้ใจรวมเป็นเป็นหนึ่งนี้เป็นไปได้ยากมากนอกจากเป็นเหตุการณ์ที่มันพุกเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอตามความต้องการถ้าไม่มิตรไม่ได้ฝึกสติมาก่อน ถ้ามันรวมก็รวมด้วยความบังเอิญไปเท่านั้นเองแต่จะให้มันรวมทุกครั้งนี้เหมือนเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องการให้มันรวมทุกครั้งนี้ต้องมีสติดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นดังนั้นหน้าที่แรกของการบำเพ็ญจึงอยู่ที่การเจริญสตินี่เองต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันโดยใช้อบายของสติ ที่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิดเราต้องการใช้ชนิดเดียวเท่านั้นเองเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบที่ถูกใจกับเราเราก็เอาอย่างนั้นจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เกิดมาก็บริกรรมพุทโธไป ควบคู่ไปกับการทำภารกิจการงานต่างๆถ้าอยู่ในช่วงไหนที่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจการงานช่วงนั้นก็หยุดการบริกรรพุทโธไว้ชั่วคราวพอไม่ต้องใช้ความคิดแล้วแล้วถ้าใจลอยไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตคิดถึงเรื่องราวที่ไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ ก็ดึงกลับมาให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าไม่จำเป็นอย่าคิดถึงแม้ว่าจะเป็นปัญญาตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาเพราะว่ามันไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนปัญญามันจะไม่สามารถที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ได้ตัดกิเลสได้แลาไม่สามารถทำใจให้รวม เป็นหนึ่งได้ต้องใช้สติเท่านั้นต้องพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้พอเริมตาขึ้นมาก็ดูไปที่ร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เปิขึ้นมาก็จะเห็นว่าร่างกายกำลังนอนอยู่ แล้วพอเริ่มคิดว่าจะต้องไปลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำก็ต้องมีสติเฝ้าดูการเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านอนขึ้นมาเป็นท่านั่งจากท่านั่งขึ้นมาเป็นท่ายืนจากท่ายืนเป็นท่าเดินต้องมีสติกํากับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถและในทุกการงานที่กำลังทําอยู่ อห้องน้าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าขับถ่ายก็ให้อยู่กับการกระทำเหล่านั้นของร่างกายอย่าให้มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่าให้มีเรื่องของงานที่จะต้องไปทำเรื่องของคนนั่นเรื่องของคนนี้เรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้อย่าให้มันเข้ามาแทรกนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ ผู้ที่จะบำเพ็ญ น, นั้นจะต้องไม่มีการงานทำกันต้องเป็นผู้ว่างงานเป็นผู้ตกงานจะได้ไม่มีเรื่องราวมาคอยดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถึงการงานต่างๆนั่นเองนี่แหละทำไมถึงต้องทำทานเพื่อจะได้หยุดการหาเงินหาทองกันแล้วจะได้ไม่มีเรื่องราวของการทำงานทาการ มารบกวนเวลาที่เราจะต้องเจริญสติเราจะได้เจริญสติงานของเราก็มีแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองอย่างเป็นนักบวชนี่ก็มีแค่เตนขึ้นมาก็เตรียมไปบินธบาตบินธบารเสร็จก็ฉันฉันเสร็จก็ล้างบาตรเสร็จล้างเก็บกวาด ถ, ถูสาลาให้เรียบร้อยแล้วก็กลับกุฏิ กับกุิก็เสร็จภารกิจการงานแล้วก็มีเวลาว่างที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจเจริญสติต่อไปนี่คือเรื่องของการจเจริญสติถ้าเราต้องการที่จะนั่งแล้วทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขตตารมต้องมีสติต้องจเจริญสติอย่างสม่าเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับ พอเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธินี้จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วและจะตั้งอยู่ในความสงบนั้นได้เป็นเวลาอันยาวนานพอเราออกจากความสงบแล้วทีนี้เราก็ออกมาเจริญปัญญาได้แล้วแต่ในขณะที่จิตอยู่ในความสงบนั้นอย่าไปเจริญปัญญาจิตจะสงบจะนิ่งนานไม่นาน เวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะพิจารณาธรรมเวลานั้นเป็นเวลาให้จิตนิ่งให้สงบให้สักตะวารู้อยู่เพื่อจะได้เสริมสร้างพลังคืออุเบกขาให้มีกำลังให้มากมากขึ้นนั่นเองถ้านิ่งได้นานอุเบกขาก็จะมีกำลังมากถ้านิ่งไม่ได้นานอุเบกขาก็จะมีกำลังน้อยเพราะว่าในการบาเพ็ญ ปัญญาในการต่อสู้กับกิเลสตัณหานี่เราต้องมีอุเบกขาสนับสนุนปัญญาถึงจะสามารถหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าไม่มีอุเบกขาปัญญาบอกว่านี่เป็นกิเลสก็หยุดไม่ได้ปัญญาเป็นเพียงผู้มีหน้าที่บอกว่าตอนนี้กำลังไปในทางความอยากแล้วถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ได้ เหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่มีเบรกคนขับบอกว่าต้องต้องหยุดแล้วถึงสี่แยกไฟแดงแล้วเหอียบเบรกลงไปรถก็ไม่ชะลอลงเพราะว่าไม่มีเบรกดังเวลาขับรถยนต์นี้เรามักจะต้องเช็คดูเบรกเสมอก่อนที่เราจะออกรถยนต์ไปไหนมาไหนเพราะถ้าเราไม่มีเบรกเดี๋ยวเราถึงเวลาต้องหยุดรถเราจะหยุดไม่ได้ เราก็ต้องไปชนกับรถคนอื่นอย่างแน่นอนฉะ น, นั้นการที่เราจะไปหยุดกิเลสตัณหาตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆนั้นเราก็ต้องมีเบรกเบรกก็คืออุเบกขาที่ได้จากการรวมของจิตในสมาธิส่วนปัญญาก็เป็นเพียงแต่ผู้คอยเตือนใจให้เหยียบเบรกนั่นเองว่า กำลังไปในทางที่ผิดแล้วนะเช่นถ้าคิดไปในทางลาบยศรเสรินไปในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปัญญาก็บอกว่าอย่าไปทางนั้นมันเป็นทางสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไม่ให้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นได้แฟนมาได้สามีได้ภรรยามา เ้าอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดนี้เราสั่งไม่ได้ถึงเวลาเขาจะจากไปเขาก็จะจากไปเวลาเขาจากไปเราก็จะต้องทุกข์นี่คือหน้าที่ของปัญญาบอกให้ใจรู้ว่ากําลังเดินสู่กองเข้าสู่ความทุกข์ไม่ใช่เข้าสู่ความสุขพอใจรู้ว่าต้องไปกําลังไปสู่ความทุกข์ก็จะได้หยุดได้ถ้ามีอุเบกขาะ ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่ได้จิตไม่เคยรวมมาก่อนเลยเพอถึงเวลาจะหยุดตัณหาความอยากก็จะหยุดไม่ได้นี่แหละคือหน้าที่ของสมาธิสมาธิเป็นผู้ให้กำลังในการหยุดกิเลสตัณหาแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะไปทำนั้นเป็นกิเลสตัณหาหรือไม่ อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะดูว่าทำไปแล้วเกิดความทุกข์ตามมาหรือเกิดความสุขตามมาถ้าเกิดความสุขตามมาปัญญาก็จะเปิดไฟเขียวเช่นถ้าอยากจะไปปิกุ้เวกจะไปภาวนาจะไปบาเพ็ญสมถะ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนาปัญญาก็พิจารณาเห็นว่ากําลังเดินไปสู่ความสุข กำลังเดินไปสู่ปรามังสุขขังปัญญาก็จะเปิดไฟเขียวไปได้เต็มที่เลยไม่ต้องเบรคไปเลยตัดมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีอะไรขัดขวางมีอะไรเหนียวรั้งไว้ตัดมันไปให้หมดนะเพราะกำลังเดินไปสู่ความสุขไม่ใช่ไปเดินไปสู่ความทุกเป็นการเดินออกจากกองทุกไปสู่ความสุข นี่คือหน้าที่ของปัญญาจะคอยบอกใจว่ากำลังเดินไปในทิศทางไหนอย่างที่ได้แสดงไว้ในตอนเริ่มต้นว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังบาเพ็ญทานศีลภาวนาหรือเรากำลังแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้ปัญญาจะเป็นผู้วิเคราะห์บอกเราว่าเรากำลังไปทางไหนกันถ้าไปในทางสู่กองทุกปัญญาก็บอกว่าให้หยุดแต่ถ้าเราไม่มีสมถภาวนาไม่มีอุเบกขาเราก็หยุดไม่ได้คนเขาส่งตั๋วให้ไปเที่ยวก็ตัดใจไม่ได้ส่งตั๋วคืนไปให้เขาไม่ได้ บางคนอุตส่าห์ส่งมาให้ตัว๋วฟรีไม่ต้องเสียเงินให้ไปเที่ยวสองสามอาทิตย์ปัญญาหายไปหมดเลยเหลือแต่ว่าเตรียมตัวจะไปเมื่อไหร่เท่านั้นดูแต่วันเวลาอันนี้เพราะไม่มีปัญญาบอกว่ากำลังเดินเข้าสู่กองทุกข์ถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีอุบเบกขาก็หยุดไม่ได้สองจิตสองใจคิดไปคิดมา ร้อยแปดพันประการในที่สุดก็ไปอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีอุเบกขาใจไม่มีความสุขในตัวของมันเองมันเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกเหมือนสามีภรรยาที่ไม่มีความสุขในบ้านก็จะต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านสามีที่ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านเพราะเวลากลับมาบ้านก็โดนภรรยาด่าโดนภรรยาบน่นมันก็ไม่มีความสุข เวลาไปข้างนอกมีคนนู้นคนนี้มาคอยเอาอกเอาใจคอยมาตอบสนองความอยากความต้องการต่างๆได้รับความสุขมันก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านอันนี้ก็เหมือนกันใจของพวกเราถ้ายังไม่มีความสงบนี้มันจะไม่มีความสุขในตัวของมันเองมันก็เลยต้องไปหาความสุขจากภายนอกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธภะกน แต่ถ้ามันมีความสงบมีความสุขภายในแล้วมันจะไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะความสุขภายในนี้มันเหนือกว่าความสุขภายนอกถ้ามีความสุขตัวนี้แล้วตัณหาความอยากจะมาเดึงไปนี้ยากนอกจากไม่รู้เท่านั้นเองว่าเป็นตัณหาไม่รู้ว่าไปสู่กองทุกข์จึงต้องใช้ปัญญามาสอนว่ากําลังไปสู่กองทุกข์ ปัญญาจะเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ได้มานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขเราสามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดหรือไม่ถ้าปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราเก็บมันไว้ไม่ได้มันจะต้องจากเราไปเราก็จะได้ไม่ไปเอามันเมื่อเราไม่ไปเอามันมาเราก็จะไม่ทุกข์ พอไม่มีไม่ไม่ไปเอาแฟนมาเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนเวลาแฟนตายไปก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เพราะไม่มีแฟนจะตายนี่คือปัญญามันจะบอกเราให้เห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากของเรายังอยากได้อยู่ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นตายรักมันเป็นอันนี้อยงทุกขังอนัตตาพอเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะได้ หยุดความอยากได้ถ้ามันมีอุเบกขามีความสุขในตัวของมันเองมันก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วอยู่ในบ้านอยู่หาความสุขในใจเองดีกว่ากลับมานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าใจสงบแล้วเย็นสบายนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะมาเป็นผู้บอกทางให้แก่ใจ ให้รู้ว่ากำลังเดินไปในทิศทางไหนแล้วถ้าใจมีความสุขมีอุเบกขาใจก็จะไม่ไปทําตามความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีปัญญาบางทีก็ยังถูกหลอกคิดว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสงบที่มีอยู่ก็ได้อย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ส่งตัตสรู้ผู้ที่ได้ฌานได้สมาธิ แล้วเวลาออกมาก็ยังไปเดินเข้าหาความทุกข์ได้อยู่เช่นไปหาความสุขจากร่างกายยังอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขที่ได้จากสมาธินั้นก็หายไปหมดเพราะ ไม่มีปัญญาสอนใจว่าการไปหาความสุขจากร่างกายก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละเป็นวิปัสสนา ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบขึ้นมาเองทรงเห็นใจรัก์ในสิ่งต่างๆเช่นร่างกายผู้ที่ยังไม่ได้มีปัญญาจะไม่เห็นถ้าบําเพ็ญแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวเวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นร่างกายของตนเองก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้ร่างกายนี้ ไม่ตายแต่พอต้องไปเ จ, เจ อ, อความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะยังเดินเข้าหาร่างกายอยู่ยังยึดติดอยู่กับร่างกายไม่ถอนออกมาไม่ถอยออกจากร่างกายไม่ปล่อยวางร่างกายให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นนี้เราไปห้ามไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเรามันก็เป็นเหมือนกันห้ามไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาขึ้นมาด้วยพระ อ, องค์เองเจงทรงเป็น พรพุทธเจ้าขึ้นมาทรงเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วการจะดับความทุกข์นั้นก็ต้องเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องปล่อยมันไป นี่แหละคือความตัดการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ตรงนี้เองจึงทําให้พระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะทรงเห็นว่าเป็นไฟรักทั้งหมดก็เลยปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเขาจะเจริญก็ปล่อยเขาจเจริญไปเขาจะเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไปทําได้ก็ทําไปดูแลรักษาร่างกายได้ก็ดูแลไป ดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของปัญญาที่ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ได้สมัยพระพุทธการนั้นก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้มีผู้มีสมาธิกันมากมายแต่ไม่มีปัญญาพอพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบปัญญาแล้วส่งเอามาเผยแผ่ พอแสดงทำไปท่าน้นครั้งเดียวเท่านั้นก็บรรลุทำกันขึ้นมาได้บางแห่งนี้บรรลุกันทีเดียวพร้อมกันห้าร้อยรูปเลยเพราะเขามีสมถะภาวนากันอยู่ทุกคนได้บรรลุฌานกันทุกคนมีอัปนากันทุกคนพอได้ยินเรื่องของตายรักเขาก็เข้าใจเขาก็หยุดตันหาความอยากได้ทันทีเขาก็บรรลุกันได้ทันทีแต่ในสมัยปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามกัน สมัยปัจจุบันนี้มีปัญญาเยอะแต่ไม่มีสมถะไม่มีความสงบกันมีแต่เรียนกันสุตมญาปัญญาฟังธทำกันจนหูฉี่กันออรู้กันหมดว่าตายแล้วเป็นอะไรอริยสัจสีเป็นอะไรแต่ไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบใจไม่นิ่งพอตันหาเกิดขึ้นมาก็สู้ไม่ไหวพอบอกอยากจะดื่มกาแฟมันก็คว้าไปก่อนละมือก็ยื่นไปก่อนแล้ะ สติปัญญาตามไม่ทันนี่คือความแตกต่างกันกับสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันปัจจุบันจึงไม่ค่อยบรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะขาดสมถะภาวนาเพราะหลงคิดว่ามีปัญญาแล้วเป็นปัญญาชนกันฟังธรรมกันรู้เรื่องรู้หมดจบพระไตรปิฎกเหมือนกับพระโปธิรัสเลยโปธิรัต์ใบรานเปล่านพวกเราก็คงจะอยู่ใน สภาพนั้นไบลานเปล่าฟังเทสคูบาจานิโอไม่รู้เป็นกี่พันกันเนี่ยเดี๋ยวนี้อัดเข้าไปในเครื่องอัดเสียงนี่อยากจะฟังกันไหนกดเบอร์ไหนโผล่ขึ้นมาฟังแล้วมันมาดูกันที่ไหนฟังแล้วมันก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ภาวนากันไม่จะเรีนสมถภาวนากันนี่คับยังอย่าไปมองข้ามเรื่องสมถภาวนาสําคัญมาก คำสอนขั้งแรกของหลวงปู่ม่านให้กับหลวงตาก็คือให้เจริญสมถภาวนาหลวงปู่ม่นบอกว่าท่านเป็นมหาแล้วท่านเรียนจบพระไตรปิฎกมาแล้วแต่ความรู้เหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับท่านตอนนี้ท่านต้องมาทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วทีนี้ความรู้ที่ท่านเรียนมานี้มันจะเป็นประโยชน์กับใจนี่เป็นคาสอนที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟัง ตอนที่ไปขอกราบอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ให้โอวาดไวด้ล่านี้จึงขอให้พวกเราจงพยานเจริญตามแนวตางแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแข่งขันท่านสอนให้ทำทานก็ทำทานรักษาศีลก็รักษาศีลให้เจริญสติก็เจริญสติให้เจริญสมถะภาวนาทาใจให้สงบ ทำใจให้เป็นหนึ่งก็ทําไปแล้วค่อยออกไปเจริญปัญญารับรองได้ว่าทําตามขั้นตามตอนแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนดาระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาจจานตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายโสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาทนสีลิสนิจังุทาปจายโนจตารโธรมาวัานติอายุวโนสุขังภลงาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอปัญหาธรรม ท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ช่วงนี้เลยตอนที่เปิดไมโครโฟนหลังจากที่ปิดแล้วก็จะไม่ถามจะไม่ตอบข อ, อให้เคารพในกฎกติกาด้วยเอาว่าม า, ค, า, มาค่ะนรมาสการค่ะภอาจารย์หนูมีปัญหาปัญหาเดียวกันแต่ว่ามีสองเหตุการณ์ค่ะ หนูเป็นคนที่จเจริญบารณานุสติในการหนูจะใช้คำถามที่คอยถามตัวเองย้ำกับตัวเองตลอดเวลาคือจะถามว่าพร้อมจะตายไหมเราจะเสียดายชีวิตหัหยถ้าเราตายตอนนี้ถ้านักเวทาทีนี้เราจะเสียชีวิตไปแล้วหนูก็เวลาที่หนูเข้าสมาธิอะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูหนูนั่งไปได้ไม่นานมาก แล้วหนูก็เกิดอาการเหมือนกับหงุดหงิดอะค่ะถ้าเป็นปกติหนูก็คงจะรีบลุกแต่ว่าวันนั้นหนูอยากจะลองนั่งต่อไปหนูก็เลยพอนั่งไปสักพักหนึ่งหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูเห็นเป็นอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นยุงอะค่ะมันยิ้ยิอยู่แล้วหนูก็ยังรู้สึกจังกายที่หนูยังนั่งอยู่แล้วหนูก็เริ่มสังเกตว่าตัวก่อนที่หนูก่อนที่หนูจะคิดจะลุกเนี่ย หนูเริ่มพากัมมองว่าตัวนี้ตังหากที่เป็นตัวปัญหาที่ทำให้หนูรู้สึกเหยื่อลาคาญใจหนูก็เลยนั่งต่อไปแล้วหนูก็พยายามดูไปอ่า น, นีนังสืงไปก็นั่งต่อไปแล้วก็ยังย้ำคำถามที่หนูใช้คำเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องของความตายว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะเสียเสียใจไหมล้วก็ยังย้ำต่อเรื่อยๆเลยๆ ย, ย, ยังไม่หยดุดค่ะสักก็มัน พอทุกขเวทานามันก็เริ่มมาหนูก็ยังนั่งพยายามนั่งต่อไปนั่งต่อไปสักพักถ้าไปปกติหนูจะรู้สึกถึงทุกขเวทนาที่มากกว่านี้ที่แรงกว่านี้แต่ว่าครั้งนั้นคือมันมาเรื่อยๆอ่ะค่ะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็มันก็นกทนไม่ไหวค่ะแล้วก็ เหตุการณ์ก็คือคล้ายๆกันค่ะก็มีทุกขเวทนาเข้ามาแต่ ว, ว่าหนูหนูรู้สึกถึงความเจ็บที่ขาเราสักพักหนูก็เริ่มสังเกตุมันเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวหนูไม่แน่ใจมันคือดจิงหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าร่างกายกับที่เป็นตัวหนูเนี่ยหนูเห็นความร้อนกับความเย็นหนูเห็นว่าสิ่งที่เป็นหนูข้างใน มันเย็นในขณะที่ความเจ็บปวดข้างนอกที่รู้สึกที่ขามันร้อนหนูเริ่มสังเกตเห็นว่าเวลาที่หนูอยากจะลุกหนูรู้สึกกปวดตาที่หนูรู้สึกถึงความเจ็บที่มากขึ้นหนูเห็นอาการของของหนูอะค่ะอาการของเจ็บว่ามันพยายามที่จะพยายามที่จะต้านแผ่น ม, มันกลัวเวลาที่มันกลัวแล้วมันก็เวลาที่มันเฉยเฉยเวลาที่มันเย็นแต่ว่าสุดท้า์ สุดท้ายอะคะ่ะหนูก็ยังไม่สามารถฆ่ามันไปได้แต่หนูก็ยังไม่ได้หยุดที่จะที่จะทำตรงนี้อะคะ่ะณจุดนี้คือหนูยังขาดสติใช่ไ้ยคะยังขาดปัญญายังไม่สามารถแยกเวทนาออกจากใจออกจากร่างกายคือไม่สามารถเห็นเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง ใจก็เป็นผู้รู้ใจยังไม่เป็นผู้รู้ใจยังเป็นผู้ปรุงแต่งยังมีความอยากให้เวทนาหายหรือยังมีความกลัวความเจ็บของร่างกายอยู่ก็เลยทำให้ใจไม่ปล่อยวางใจไม่สงบไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าพิจารณาเห็นว่า สภาวะธรรมเช่นร่างกายเขาก็เป็นอย่างนี้เขาเกิดแก่เจ็บตายเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลาเขาอยู่จะไปอยากให้เขาดับก็ไม่ได้ถ้าเกิดความอยากให้เขาดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจมันไม่เห็นตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้มันก็จะ ทำให้ปล่อยวางเวทนาได้เมื่อสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปใจไม่ได้เป็นผู้เม อ, อใจไม่ได้เป็นเวทนาใจเป็นผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆเรายัางไม่รู้จักแยกแยะทาทั้งสามอย่างนี้ให้ให้เป็นอิสระคือไม่ให้ไปผูกพันกัน ให้ร่างกายก็เป็นเพียงแต่ร่างกายให้เวทนาก็เป็นเพียงแต่เวทนาให้ใจก็เป็นเพลงแต่ใจเป็นผู้รู้เท่านั้นตอนนี้ใจถูกกิเลสตัณหาความอยากมาผูกมัดให้ติดอยู่กับเวทนาติดอยู่กับกายเพราะยังไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวทนาเป็นเราเราเป็นผู้ รับค ว, ความเจ็บเป็นเวทนามันก็เลยทําให้เกิดตัณหาความอยากไม่ให้มันเจ็บเพราะเราคือใจอยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีแต่ความทุกข์ไม่อยากจะเจอความทุกข์มันก็เลยยังไม่สามารถที่จ ะ, ะปล่อยวางเวทนาได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้ เพราะหนึ่งกำลังของสมาธิก็ยังมีไม่ไม่พอควรจะเสริมกำลังสมาธิขึ้นมาก่อนเวลาเจอทุกขเวทนาควรจะกำหนดอารมณ์อะไรสักอย่างเป็นที่ผูกใจไว้เช่นการบริกรรมพุทโธหรือการสวดมนต์หรือการาพิจารณาอาการสาสิบสอง ท่องชื่อของรายการไปก่อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่าให้ใจไปวุ่นกับความเจ็บอย่าไปวุ่นกับทุกขเวทนาอย่าไปสนใจมันให้ใจ ม, มีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปเบื้องต้นวิธีต่อสู้กับทุกขเวทนาต้องใช้สติก่อนพุทโธไปให้ทีเลย อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ท่องมันไปท่องไปให้มันขาดใจไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากให้มันไปคิดถึงความเจ็บคิดถึงทุกขเวทนาแล้วใจจะปล่อยว่าได้ชั่วขาวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นอุบเบกขาได้พอมีอุบเบกขาแล้วในขาวต่อไปเวลานั่งแล้วเจอความเจ็บก็ลองแยกดูพิจารณาเป็นส่วนๆไป ร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมันจะไปรู้ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บได้อย่างไ่มันเจ็บได้อย่างไรเวลาคนตายเอาไปเผาไฟไม่เห็นมันดิน้นไม่เห็นมันร้องใครร้องกันนะ่เวลาที่ร่างกายมันเจ็บนั่งกายเจ็บไอ้คนร้องก็คือกิเลสตัญหานี่ความกลัวความเจ็บเนี่ยเราต้องรู้จักแยกแยะไปว่า ร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่มันไม่สะทกสะทานต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกขเวทนามันก็แสดงไปตามเหตุปัจจัยของมันผู้รู้ก็คือใจก็ไม่รู้ตามความจริงไปรู้ตามความอยากรู้เพื่ออยากจะให ทุกขเวทนาหายไปมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ทนไม่ได้ทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ใจรับได้ทนได้แต่พอมีกิเลสตัณหามาเกี่ยวข้องมาอยากให้ทุกขเวทนาหายไปก็เลยเกิดทุกขในอริยสัจขึ้นมาเป็นทุกข์ที่ใจทนไม่ได้อยู่สู้ไม่ได้ไม่ใช่ทุกขของทุกขเวทนาแต่ทุกขในอริยสัจ ท, ที่เกิดจากสมุทยัย คือความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเอง็นหน้าที่ของใจของสติปัญญาก็ต้องสอนใจว่าอยากไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะสั่งมันไม่ได้่ขับไล่มันไปไม่ได้ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่เอถ้าไม่ชอบก็หัดชอบมันเสียเอถ้าชอบมันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคนเราเวลา อยู่ด้วยกันถ้าไม่ชอบนี้อยู่ด้วยกันมันทุกไหมแต่ถ้าชอบนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันสุขไหมมันก็คนคนเดียวกันเวลาชอบกันก็อยู่ด้วยกันได้พอไม่ชอบกันขึ้นมานี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมันทุกข์ขึ้นมาในใจความทุกข์ใจมันเกิดจากการชอบไม่ชอบเวลาต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ต้องทุกข์ไมไเวลาเสียสิ่งที่ชอบไปมันก็ทุก งั้นเวลาต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็หัดเปลี่ยนใจหัดชอบมันเสียหัดชอบทุกขเวทนาแล้วต่อไปก็จะไม่ทุกวิธีชอบทุกขเวทนาคือไงก็อยู่กับมันไปหรือคิดถึงสิ่งที่เราชอบเราชอบกระเป๋าสวยๆก็มองไอ้ ท, ทุกขเวท น, น, นานน้านี้ว่าเป็นเหมือนกระเป๋าสวยๆอยากจะได้มันเอง เ, เ, เอาตัวอย่างของความชอบมาใช้กับสิ่งที่เราไม่ชอบะ แล้วใจมันก็จะค่อยๆปรับเข้าสู่จากความไม่ชอบเข้าสู่ความเป็นกลางได้เราต้องการให้ใจอยู่เป็นกลางคือจะจะชอบก็ไม่เชิงจะไม่ชอบก็ไม่ใช่อยู่ระหว่างความชอบกับความไม่ชอบถ้าใจมันไปอยู่ที่ไม่ชอบก็ต้องดึงมันกลับมาให้อยู่กองกลางการจะดึงมันกลับมาก็ต้องใช้การชอบดึงมันมาถ้าไปใช้การไม่ชอบมันก็ยิ่งไปใหญ่มันก็ยิ่งไปสุด ทางเมื่อมันเหมือนกับรถถ้ามันวิ่งออกไปทางขวาเราก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาทางซ้ายมันถึงจะเข้ามาอยู่ตรงตรงกลางถนนได้ถ้ามันอยู่ทางซ้ายก็ต้องดึงมันขึ้นมาทางขวาให้มันขึ้นมาอยู่ตรงกลางอัอนใดถ้าเจอทุกขเวทนาก็หัดชอบมันเสียเมื่ อ, อ, อยินดีต้อนรับเขียนป้ายไว้เลยฉันชอบเธอแผ่เมตตาให้กับมัน อยู่เอาแหววคำว่าต้องหัดนั่งวิตนั่งบ่อยๆมันเจ็บก็พยายามอยู่กับมันไปพยายามทําใจปรับใจให้ชอบมันเสียเหมือนคนกินเพร็กเนี่ยถ้าไม่ชอบกินเพร็กเนี่ยมันกินไม่ได้เพราะกินไปแม่คาเดียวมันก็โหมันทุกขึ้นมาแต่คนที่ชอบนี่กินไปกี่เม็ดมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาชอบเนี่ยเห็น ถ้าเราไม่ชอบอะไรเราหัดกินไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชอบเองมันก็ชินกับน้าต่อไปมันก็จะชอบมันก็จะไม่ต่อต้านตอนนี้ใจเราต่อต้านทุกขเวทนาเนี่ยเราต้องหาอุบายวิธีหยุดต่อต้านวิธีแรกก็คือใช้สติดึงออกมาอย่าไปคิดถึงมันให้คิดอยู่กับเรื่องอื่นแทนคิดถึงพุโทโธธรมโมสังโฆคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือคิดถึงอาการสาสสองไปแล้ว มันก็จะไม่ไปต่อต้านกับทุกขเวทนาแต่นี่มันเป็นอุบายของสติมันก็ใช้ได้ชั่วคราวเวลาเกิดทุกขเวทนาทุกครั้งก็ต้องใช้แบบนี้ถึงจะอยู่กับมันได้แต่ถ้าใช้แบบปัญญาคือหัดชอบมันรู้ว่าต้องอยู่กับมันแยกกันไม่ได้เหมือนฝาแฝดนีน่ต้องอยู่ติดกันไปตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้ตราบนั้นก็ต้องมีทุกขเวทนาอยู่ ก็หัดชอบมันเสียพอหัดอยู่กับมันให้ได้พออยู่กับมันได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์กับมันใจปล่อยวางมันได้ถ้ามันไม่ชอบก็ต้องพยายามหัดชอบมันพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปรังเกียดมันอย่าไปอยากให้มันหายไป กระจายไหมขอบคุณค่ะอ่ามีใครอยากจะถามยังไหมไม่มีก็ส่งไปให้ทางพิธีกรน ะ, มมมะหมอเขาจะถามอ่าหมอหมอหมอถามกลั่นนมาสการพรอาจารย์เวลาที่นั่งสมาธิแล้วมีความสงบอะค่ะมันเกิดความสุขหลายแบบอ่ะค่ะบางทีก็เหมือนอยู่ในน้ำบางทีก็เหมือนลอยไปตามลม แต่ว่าบางทีก็คือมันจะมีความสุขพุ่งขึ้นไปเลยค่ะแบบอย่างรวดเร็วแล้วคราวนี้เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือถ้าถ้ายังมีคำบริกรรมหรือว่ายังดูลมได้อยู่ก็คือจะบริกรรมแล้วก็ดูลมไปค่ะแล้วก็นั่งมองความสุขไปแต่ว่าถ้าเกิดบางทีเหมือนกับว่าก่อนที่จะเกิดความสุขเนี่ยค่ะคำบริกรรมกับลมเนี่ยมั น, มนเบามากจนจนที่เวลาที่เกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยมัน ความสุขมันมากกว่าค่ะเราก็ไม่สามารถกลับไปที่จะ บ, บริกรรมหรือดูลมได้ค่ะก็เลยใช้วิธีว่าก็ดูความสุขที่เกิดขึ้นนั้นไปค่ะแล้สักพักสักประมาณสักนาทีหนึ่งมันก็ดับไปเองเนี้ยค่ ะ, ะก็ให้ใช่ใช่ศักแต่ว่ารู้ไปเป้าหมายของเราก็คือต้องการไปสู่ความว่างไม่มีความสุข แบบนั้นให้มีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความว่างเกิดจากอุเบกขาอันนี้มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นคุณสมบัติคู่กับความสงบของใจมันไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการภาวนาพุทโธพุทโธแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาระหว่างก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ อ, อุเบกขานั้นมันก็จะมีความสุขมีปิติ แบบนั้นมันก็เป็นแบบชั่วข่าวก็ให้รู้ไปเท่านั้นเองข็ให้เราอยู่กับการภาวนาหรืออยู่กับผู้รู้คือสักแต่วรู้เป้าหมายของเราก็คือต้องการให้ใจว่างให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาแล้วจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งข่ขอบคุณค่ะที่หมอเองมเองมื่อวาส่งคำถามมาด้วยค หมอเอมีคนเขาถามว่าอยากจะถามปัญหาไหมอ๋อฝ oh. า, าถามอ uh, ไม่ไม่ถามเองอ่ะอ๋อิธีกรถามเราไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณประพาพานันมีโยมถามพระอาจารย์ว่าเวลาภาวนาพุทโธ จิตมักไปคิดเรื่องอื่นผ้าจา์บอกให้นับพู้โทนหนึ่งพู้โทสองไปเรื่อยๆให้จิตจดจ่ออยู่กับการนับ พอกาบลาพระอาจารย์ออกจากวัดโยมก็เริ่มนับพุทโธจากชนบุรีไปเรื่อยๆจนถึงบ้านกลับถึงบ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งพุทโธจนสามร้อยหยุดล้มตัวนอนเริ่มนับพุทโธหนึ่งใหม่จนพุทโธเก้าสิบกว่าแล้วหยุดรู้สึกเหมือนคนเหยียบเท้ารู้สึกล่างเริ่มหมุนจากช้าก็พุทโธต่อแต่ไม่นับแล้ว ร่างเริ่มหมุนเร็วขึ้นนึกถึงคำที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ดูมันแต่มันหมุนเร็วมากขึ้นจนหายใจไม่ออกและเหมือนจะดิ่งลงเกิดความขัดแย้งในใจจะให้มันหมุนต่อหรือจะหยุดเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรบีบรัดทนไม่ไหวอีกต่อไป พยายามหยุดตัวเองไม่ให้หมุนและดึงตัวเองออกมาลืมตาเหนื่อยตกใจดูนาฬิกาเพิ่งล้มตัวนอนได้สิบกว่านาทีเองไม่หลับและไม่กล้านับพุทธโธต่อไปกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกลูกควรทำอย่างไรดีคะความจริงไม่ไปไม่ควรไปสนใจสิ่งที่ปรากฏให้ให้รู้ให้เห็น ควรจะกาะติดอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าไปให้ความสนใจกับมันแล้วมันก็จะมันก็จะทําให้เรามีความผูกพันติดกับมันไปจนบางครั้งเราก็จะทนภาวนาต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะมีภาพแบบไหนปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็จะพาเราเข้าสู่ความสงบคำถามต่อไปจากคุณนารดาข้อที่หนึ่งโลกที่เกิดจากกรรมเก่าในอดีตมีผลในปัจจุบันพอเราตายแล้วเกิดเป็นคนในชาติต่อไปอีกโลกเดิมของกรรมเก่าจะติดตามมาอีกไหมเจ้าคะ ถ้ามันยังไม่หมดมันก็ติดตามมาถ้าหมดแล้วมันก็ไม่ติดตามมามันอยู่ที่กำลังของกรรมที่เราทาไว้ว่าหนักหรือเบาเช่นเราไปฆ่าคนสิบคนกับฆ่าคนคนหนึ่งคนนี่น้าหนักมันก็ต่างกันวิบากมันก็ต่างกันข้อที่สองถ้าแม่ของเรามีอารมณ์แปรปรวนเป็นทุกข์เข้าทางธรรมไม่ได้แล้วเราก็ดูรับรู้เฉย ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเราช่วยเขาไม่ได้แต่เราก็รักษาใจเราให้เป็นปกติกรณีแบบนี้เราปล่อยให้เขาเป็นไปตามสภาพเขาถือว่าเราทำผิดไหมคะหรือต้องช่วยเขาอย่างไรดีเจ้าคะก็เป็นเหมือนกับรักษาคนไข้หมอก็รักษาอย่างสุดกำลังรักษาได้เท่าไหร่ก็รักษาไปเท่านั้นเมื่อรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อย เรื่องกรนีของคุณแม่ก็เหมือนกันถ้าเราพยายามช่วยคุณแม่อย่างสุดกำลังแล้วก็ช่วยได้เท่านั้นก็ต้องหยุดไปช่วยไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาการไม่ได้ช่วยการที่เราหยุดนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามกระผมปฏิบัติภาวนาพุโทโธจนเกิดปิติมีอาการขนพองสยองกล้าว แล้วจึงหยุดบริกรรมเพ่งผู้นึกผู้คิดเห็นความไม่นึกไม่คิดเห็นผู้รู้ทำหน้าที่รู้เกิดดับเกิดดับเป็นสังคติติดต่อกันแต่ต้องการให้ผู้รู้รู้โดยไม่เกิดดับอุปมาให้นิ่งเหมือนน้ำที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องลมแต่ก็สูตรเหลือความพยายามจึงพิจารณาผู้รู้โดยนำหลักไตรลักษ์มาคลี่าย เห็นผู้รู้ยังคล้องในไตลักษณ์อยู่ทันใดนั้นเกิดวางผู้รู้เห็นความว่างเบาละเอียดเปียบดังอากาศเกิดกระแสของความรู้ละเอียดกระจายออกมาทั่วกายห่างประมาณหนึ่งแขนโดยหมายเป็นวงกลมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าบุคคลรอบข้างมีความสุข มีความเศร้าหมองของใจไปในลักษณะอารมณ์ใดโดยไม่สงสัยในความรู้นั้นอยู่ได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆอาการนั้นก็อันตรธานไปกลับมาเป็นปกติตามเดิมจึงได้ปิสูต์สิ่งที่รู้ก็เป็นความจริงตามความรู้อีกแนวทางหนึ่งกระผมบริกรรมพุทโธอยู่เกิดจิตรวมลงไปในท่ามกลางอกเห็นอาการของความรู้นั้นเด่นชัด ความคิดอยู่บนหัวแต่ความรู้อยู่ท่ามกลางอกอาการนี้เป็นบ่อยบ้างบางทีก็ไม่บริกรรมก็เป็นเองเลยเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติไปในทิศทางไหนในระหว่างสองทางนี้ครับก็ทางแรกก็ไม่ควรไปเพราะว่าพอภาวนาไปแล้วปรากฏอะไรให้เห็นให้รู้ก็หยุดภาวนาอันนี้ก็จะไปไม่ถึงอุเบกขา ต้องการภาวนาต่อไปเวลามีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ถ้าเรายังบริกรรมพุทโธได้เราก็บริกรรมพุทโธต่อไปเพราะเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคืออุเบกขาจิตรวมเป็นหนึ่งสัตธวรมรู้ปราศจากความคิดปรุงแต่งประการที่สองที่เล่าให้ฟังนี้ก็คล้ายๆว่าจะถึงแต่ยังไม่ถึงเพราะยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่เองก็ต้องภาวนาต่อไป นกว่าความคิดตรงแต่งนั้นหายไปเหลือศักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณประพิมหนูเป็นพยาบาลอีกเจ็ดปีลาออกจะได้บำนาญแต่หนูรู้สึกเบื่ออยากลาออกไปบวชชีไม่อยากสร้างภพชาติอีกแล้วอยากหลุดพ้นแต่แม่ขอร้องให้ทำต่ออีกเจปีเพราะท่านบอกว่าเป็นแม่ชีถ้าไม่มีเงินใช้มันลาบากและแม่ก็ยังเบิกได้อีก ท่านยังต้องพึ่งพาเราอยู่ท่านมีลูกสามคนแต่เราเป็นคนเดียวที่ให้เงินเดือนท่านท่านบอกถึงตอนนั้นท่านก็จะไปปฏิบัติกับเราด้วยคําถามข้อที่หนึ่งถ้าเราดือ้อรั้นลาออกและบวชชีโดยที่แม่ไม่นะไม่อนุญาตจะเป็นบาปต่อแม่และบวชได้หรือเปล่าคะไม่เป็นบาปหรอกเพราะว่าการไปบวชนี่เป็นการไปทําบุญเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติ แล้วก็ไปบวชแต่คนอื่นก็อาจจะลำบากอันนี้ก็ถ้าเรามีจิตใจที่แน่วแน่เราก็จะมองไปว่ามันเป็นวิบากของเขาที่เกิดมาต้องมาเจอเราเป็นลูก <laughs> แต่ก็ถ้าเราไปแล้ว เ, เกิดเราได้ไปบรรลุธรรมเราก็จะกลับมาช่วยเขาได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ได้กลับมาช่วยบรรดาพระ ญาตทั้งหลายให้ได้บรรลุธรรมกันข้อที่สองเคยถามพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยบอกไว้ว่าบางทีกิเลสก็หลอกเราบอกว่าเบื่อทางโลกพอไปบวชจริงๆใจจะ ก, กังวลคิดถึงทางบ้านแล้วใจเราจะพระวงถึงแม่การปฏิบัติเราจะไม่ก้าวหน้าให้ทำหน้าที่นี้ไปก่อนให้มองว่ามันเป็นเรื่องสมมุติพิจารณาไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้ ใจมันก็จะดูรับฟังแต่พอฟังพระอาจารย์สุชาติเทศก็กลับมาคิดเรื่องบวชเหมือนเดิมอีกควรทำอย่างไรดีคะเราก็ต้องตัดสินใจเอาเองจะเอาแบบไหนคือเวลาเราสอนนี่เราไม่ได้สอนแบบบังคับให้ทำตาม เราเพลงแต่เป็นผู้เหมือนกับคนขายรถยนต์เราก็มีรถหลายระดับเราก็ต้องเสนอรถยนต์ทุกระดับให้คนซื้อได้เลือกเอาอยากจะได้รถระดับไหนก็เลือกเอาราคามันก็ต่างกันถ้าอยากจะได้รถระดับสูงก็ต้องเสียเงินมากหน่อยถ้าอยากจะได้รถระดับต่าก็เสียเงินน้อยหน่อยอยังไมันต้องมีได้มีเสียการที่จะได้อย่างเดียวไม่มี ข้อที่สเรื่องการปฏิบัติตอนนี้รู้ว่าเรายังติดหลงอยู่กายคนอื่นมองว่าเป็นอสุภะได้เพราะเห็นจากคนไข้ทุกวันแต่ทำไมกายเราเองพิจารณา ย, ยังไงก็ไม่ขาดทั้งๆ ท, ที่ก็บอกมันทุกวันว่าเป็นเพียงท่าสี่มันไม่ใช่ของเรา แต่ทุกครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาทีไรมันไม่ยอมปล่อยมันยึดตลอดว่าเป็นเราแม้จะบริกรรมว่าอนัตตาก็ตามค่ะก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นการรวมตัวของธาตุสี่เช่นร่างกายนี้ต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟถึงจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ดินก็คืออาหารที่เรารับประทาน น้ำก็คือน้ำที่เราดื่มลมก็คือลมหายใจไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากการรวมตัวของดินน้ำลมนั่นเองนี่คือเรื่องของธาตุสี่แล้วก็มาเป็นอาการสารสิบสองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการเหล่านี้ก็ได้มาจากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟแล้วเมื่อร่างกายอยู่หายใจ ถ้าทั้งสี่ก็จะแตกสามัคคีแยกทางกันไปไฟก็ไปทางหนึ่งน้ําก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งดูร่างกายของคนตายถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆสิ่งแรกที่ไปก็คือลมลมหายไปสิ่งที่สองก็คือไฟร่างกายก็จะเย็นสิ่งที่สที่จะไปก็คือน้ําน้ําก็จะไหลออกมา หลออกมาจนกระทั่งร่างกายนี้แห้งกรอบผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวเราอยู่ในนี้เราเพียงแต่ไปตู่เอาว่าเป็นตัวเราของเราใจได้ร่างกายนี้มาก็เหมือนกับเวลาเราได้ตุ๊กตามาเราก็ไปตู่ว่าเป็นของเราสมัยเด็กๆ เ, เราได้ของอะไรมานี่เราก็จะยึดจะติดว่าเป็นของเรา พอมันหายไปเราก็ร้องหม่มลร้องไห้เสียอกเสียใจร่างกายนี้ก็เหมือนตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่พอได้มาแล้วเราก็ไปตู่ไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยยึดติดกับมันพอมันจะเป็นอะไรไปเราก็วุ่นวายใจขึ้นมาเพราะเราไม่ได้สอนใจให้เรารู้ว่ามันเป็นเพียงตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา เราต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่ามันเป็นเพียงตุกตาหรือเป็นหุน่นผู้ที่ชักขุนนี้ก็คือเราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆก่อนที่เราจะมาได้เราต้องคิดก่อนใช่ไหมเนี่ยความคิดก็คือเรานี่เราเป็นผู้คิดคิดได้เราก็สั่งให้ร่างกายเดินมาเดินทางมาที่นี่ร่างกายจะทำอะไรได้นี้ต้องรอรับคำสั่งจากใจก่อน อย่างตอนนี้เดี๋ยวจะต้องลุกขึ้นเนี่ยต้องใจต้องสั่งให้ลุกกันถ้าใจไม่สั่งให้ลุกมันก็ลุกไม่ได้เนงั้นขอให้เราพิจารณาแยกใจกับกายว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นเพียงตุ ก, กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วเราก็ไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องมาแก้มาคอยเตือนใจสอนใจมาแยกธาตุอยู่เรื่อย ให้รู้ว่ามันเป็นทำมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเหมือนกระตุกกตานี้ยถ้าเราลองแยกมันออกมามก็จะเห็นว่ามันทําจากวัสดุต่างๆพอมันมารวมตัวกันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาร่างกายก็แบบเดียวกันเให้พิจารณา ย, ยาิ่งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นชัดเจนแล้วมันก็จะไม่วุ่นวายกับการเป็นความเป็นความตายของร่างกายเพราะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับมัน ข้อที่สี่ถ้าเรามีความอยากเยอะเกินเช่นอยากที่จะหลุดพ้นมันจะเป็นตัวขวางกั้นนิพพานหรือเปล่าคะเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันมีแต่อยากไปข้างหน้าตลอดมีวิธีดับความอยากยังไงคะมันก็ต้องแมชชิมามันต้องเป็นทางสายกลางอยากมากเกินไปมากเกินความเป็นจริงก็เป็นโทษน้อยเกินไปก็ไม่เป็นประโยชน์มันต้องอยากให้พอกับกาลังของเรา เราทำรายได้เท่าไหร่เราก็ทําไปตามกําลังของเราอยากจะให้ได้มากกว่าที่เราทําได้มันก็ไม่เมันก็ไม่เกิดจะทําให้เราทุกข์ายไปเปล่าๆถ้าอยากน้อยไปเราก็จะก้าวก้าวไปข้างหน้าช้าแทนที่เราจะทํามากเราทํามากได้แต่เราขี้เกียจไม่อยากจะทําอย่างนี้เหมืนก็จะก้าวไปช้าเังนั้นเราต้องยึดหลักความพอดีความกําลัง ตามกำลังตามความสามารถของเราตอนวันนี้เราทำได้มากน้อยเพียงไรเราก็ทำไปก่อนแล้วถ้าเราคิดว่ายังทำเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไปคำถามต่อไปจากคุณกระโหนพรดิฉันอ่านหนังสือแล้วกล่าวว่าจิตคิดดีมีความสุขมากเท่าใดตัญหาก็ทำให้เกิดความทุกข์มากเท่านั้น คำถามข้อที่หนึ่งดิฉันเข้าใจว่ายิ่งเราทำบุญทำกุศลมากเท่าใดเหมือนมีความสุขในอารมณ์ชาเราก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นเพราะเรายังยึดติด ก, กับสุขใช่หรือไม่คะความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าเราทำไม่ได้ทำด้วยความอยากมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราทำด้วยเหตุด้วยผลมันจะไม่ทุกข์เช่นทำบุญ เรามีปัจจัยที่เราจะทําได้เราก็ทําไปทําแล้วก็จบเราก็ได้ความสุขจากการทําบุญนั้นแต่ถ้าเราอยากจะทํามากกว่าที่เรามีมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ฉั้นความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่การทําบุญการทําทานแต่มันอยู่การความอยากที่จะทํามากกว่าที่จะทําได้ข้อที่สอง หนังสือกล่าวว่าสุข ก, กับทุกข์มันติดกันเมื่อสุขมากก็ทุกข์มากหมายความว่าอย่างไรคะมันหมายถึงไปติดกับสิ่งที่ทำให้เราสุขเลยถ้าเรารักคนไหนมากเราก็จะทุกข์กับคนนั้นมากเรารักคนไหนคนไหนให้ความสุขกับเรามากเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะทุกข์มากความหมายมันหมายความอย่างนัน้ถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่รักหรือรักน้อยเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกน้อย ถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเลยนี่เวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เลยนั้น <to make> มันอยู่ที่ว่าคนนั้นเราไปรักเขามากหรือน้อยความสุขของเราก็เกิดจากความรักมากหรือรักน้อยนี่เองถ้ารักใครมากก็จะสุขมากเวลาได้อยู่กับเขาแต่เวลาต้องจากเขาไปก็จะทุกข์มากนั้นความสุขมากทุกข์มากนี้สุขมากหรือทุกข์มากนี้ก็อยู่ที่ความรักมากหรือรักน้อยนี่เอง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการปฏิบัติจนเป็นสัมมาทิฏฐิผลของการกระทาหรือวิบาก ค, คือไม่ให้ผลบุญผลบาปเป็นกลางกลางเหนือบุญเหนือบาปใช่หรือไม่คะเรื่องของวิบากนี่เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้วิบากของกรรมที่เราทำมาแล้วมันก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่การมีสัมมาทิฏฐินี้เป็นการ สอนให้เรารู้ว่าการกระทําที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรการกระทําที่จะทําไม่ให้เกิดวิบากต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันท่านั้นเองเพื่ออนาคตเราจะได้ไม่ไปสร้างวิบากที่เราไม่ปรารถนามาให้เราต้องมารับแต่วิบากเก่าที่เกิดจากกรรมเก่านี้เราไปเปลี่ยนไม่ได้ อย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังมีวิบากที่เกิดจากกรรมเก่าคือพระเทวทัตพระองค์ก็สรงห้ามไม่ได้แต่พระองค์ทรงมีสัมมาทิฏฐิที่จะรู้จักวิธีปฏิบัติต่อวิบากกรรมที่เกิดขึ้นก็คือใช้ธรรมเป็นเป็นตัวปฏิบัติกับวิบากต่างๆเช่นใช้ความเมตตาใช้ปัญญาใช้อุเบกขา เช่นเวลาส่งคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็ส่งใช้ปัญญาสอนเขาไปให้เขาเห็นโทษของการฆ่าเขาก็เลยไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าเวลาส่งช้างมาท่านก็ใช้เมตตาแผ่เมตตาเวลากิ่งก้อนหินลงมาท่านก็ใช้อุเบกขาไม่ตอบโต้อะไระนี่คือวิธีของการปฏิบัติต่ตอวิบากกรรมที่เกิดจากกรรมเก่าที่เราห้ามไม่ได้ ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับวิบากต่างๆถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกที่จะทำให้ใจเรามีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ยังจะต้องเผชิญยังต้องพบอยู่คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ การที่เราเกิดมาชาตินี้มีกรรมและได้รับผลของของกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสนองตามมาเล่นงานในชาติปัจจุบันจนตายหรือไม่ตายอยากทราบว่ากรรมตัวที่ให้ผลในชาติปัจจุบันจะตามให้ผลในภพหน้าไหมครับกรณีเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งครับเพราะกรรมเล่นงานในชาตินี้แล้ว ถ้ามันถ้ามันหมดมันก็ไม่ตามถ้ายังไม่หมดเหมือนเจ้าหนี้ถ้าเราจ่ายก็ไม่หมดเขาาก็ต้องมาตามหนี้ต่ออ่าฉันใดกรรมนี่ก็เป็นเหมือนหนี้ที่เราต้องใช้ถ้าใช้หมดแล้วมันก็หมดไปถ้ายังไม่หมดมันก็อย่าตามมาเก็บต่อต่อไปคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อที่หนึ่งการพิจารณากรรมฐานหกระผมภาวนาเกษาโดยทาความรู้บนศีรษะ พอใจสงบสักพักเกิดมีความปากฏของหัวกะโหลกศีรษะขณะนั้นก็เหมือนตกใจเล็กน้อยเพราะคำบริกรรมที่ท่องไม่ตรงกับสิ่งที่มาปากฏใจไม่ได้ไหวแต่คว้าหาคาภาวนาเลยภาวนาอัถอัติด้วยความไม่แน่ใจนักแต่ใจสงบลงอยู่กับคำบริกรรมอีกได้สักพักใหญ่ กาบเรียนถามว่าควรทำเช่นไรหากมีสิ่งกำลังพิจารณาเปลี่ยนไปก็ควรจะพิจารณาตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราพิจารณาถ้ามันเปลี่ยนไปเราก็กลับมาที่ที่เดิมที่เราเคยพิจารณาอยู่หรือกลับมาเริ่มต้นพิจารณาใหม่ก็ได้ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราพิจารณามันเริ่มแหวกแนวไป ออกนอกรูกนอกทางเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาตามมันไปให้เราพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเป้าหมายของการพิจารณาก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นหนึ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงอาการ32สว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม นี่คือเป้าหมายของการพิจารณาร่างกายเราต้องการความรู้อย่างนี้เท่านั้นถ้ามันไปได้ความรู้อย่างอื่นก็สแสดงว่าเราหลงทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเราต้องการเห็นว่าร่างกายนี้มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ ไม่มีเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่ในร่างกายเวลาร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเราตายไปพ่อแม่พี่น้องเ่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้พ่อแม่พี่น้องและตัวเรานี้อยู่ในใจที่ไม่ตายใจที่ไปเกิดใหม่ใจที่ไปหาร่างกายอันใหม่ให้พิจารณางี้แล้วเราจะได้ไม่กลัวตาย เราจะได้ไม่เสียใจเวลาคนที่เรารักตายจากเราไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตายเพียงแต่เป็นคนเป็นร่างกายของเขาที่เป็นเหมือนคนรับใช้ที่ตายไปเท่านั้นเขาก็ต้องไปหาคนรับใช้คนใหม่มารับใช้เขาต่อไปถ้าเขาเบื่อเขาก็ไม่ต้องกลับมาหาคนรับใช้ใหม่ เขาก็อยู่แบบไม่ต้องมีคนรับใช้ก็ได้อย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นิท่านก็เบื่อกับ ก, บการที่จะต้องมาอาศัยคนรับใช้เพราะมาได้กี่คนเดี๋ยวมันก็ตายไปก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ต้องใช้มันนะพึ่งตัวเองดีกว่าพึ่งทำดีกว่าพึ่งใจทําใจให้สงบแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขข้อที่สอง การเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงกับความเบื่อหน่ายเช่นเห็นร่างกายของตัวเองเวลามีอะไรกระทบก็จะมองเข้าถึงภายในคือไม่ได้ถือความเป็นตัวเราอยู่เรื่อยๆเห็นด้วยความเป็นจริงของมันตามความรู้ที่ทำได้แต่ยังไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายไปเลยในสิ่งที่มีที่เป็นเห็นเป็นแบบเห็น ไปแบบนี้หรือทําความรู้ไปแบบนี้ถูกไหมครับคือการเห็นแบบแล้วเกิดความเบื่อหน่ายนี่มันเห็นได้สองแบบเบื่อหน่ายแบบไม่สบายใจกับเบื่อหน่ายแบบเฉยๆไม่เดือดร้อนถ้าเบื่อหน่ายแบบไม่สบายใจนี่ยังเป็นกิเลสอยู่แต่ถ้าเบื่อหน่ายแบบเฉยๆอย่างนี้เป็นอุเบกขานแสดงว่าเป็นเป็นปัญญา ดังการที่จะเบื่อหน่ายแบบเฉยๆได้นี้จึงต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาก่อนและเวลาเราพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราเบื่อหน่ายเราจะไม่รู้สึกหดหูใจ ร, รู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เราเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราไปพิจารณามันจะทำให้เราเกิดอาการหดหูเกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาได้ท่านจึงสอนให้เรา ฝึกทำสมาธิก่อนทำใจให้สงบมีอุเบกขาก่อนเพราะอุเบกขานี้จะเป็นฐานของการพิจารณาทำต่างๆให้ใจนี้ไม่มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อจิตใจคือความไม่สบายใจถ้าไม่มีอุเบกขาพอไปพิจารณาสิ่งที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ข้อที่สาม ช่วงที่ผ่านมามีคนเข้ามาคุยกับผมอยู่พอสมควรมีหลายวันผมก็แนะนำเท่าที่คำเคยปฏิบัติมากับตัวเองและเอาธรรมะให้อ่านแนะนำให้ลองสวดมนต์ซึ่งมีน้อยที่จะทำตามแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญหรือห่วงมากนักเลยคิดว่า ความทุกข์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้สักวันหนึ่งแต่เรายังดีที่มีครูบาอาจารย์คอยเตือนใจเสมอๆถึงอย่างไรเราก็อยู่กับปัจจุบันความเป็นกลางๆของใจไปก่อนและจะหาช่องทางออกไปทําความสงบตามกําลังเพราะทําอยู่ที่บ้านได้สักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ขอแม่ออกไปอยู่วัดเริ่มจากวัดใกล้บ้าน แต่แม่กับพ่อขอท่านใช้คำว่าขอร้องท่านบอกว่าปกติที่ทำอยู่ก็มากแล้วในสายตาของเขาผมเลยปรึกษากับ พ, พี่เลยได้คำตอบว่าทำให้เขาสบายใจเพราะไปโดยที่เขาห่วงผมก็คงไม่สบายใจตอนไปเท่าไหร่วันนั้นเก็บของเตรียมตัวแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปครับ แต่ก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรและคอยหาโอกาสอยู่เสมอๆตามที่ได้ทำครับเลยมากาบเรียนผลและขอคำชี้แนะครับเพราะเราไม่พิจารณาความตายบ้างถ้าเราพิจารณาความตายเราสมมุติว่าถ้าเราตายไปนี่เราก็ต้องทำให้เขาไม่สบายใจอยู่ดีเขาก็ต้องร้องห่มร้องไห้แต่เขาก็ร้องห่มร้องไห้ไปไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ลืมแนละ้ว เขาก็ดําเนินชีวิตของเขาต่อไปอฉะนั้นความไม่สบายใจของเขาก็เป็นความไม่สบายใจเพียงชั่วระยะสั้นๆท่านั้นเองอ<ส>เราก็ต้องคิดว่าเวลาเราไปก็ต้องคิดว่าเหมือนเราตายจากเขาไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลมากเพราะรู้ว่าอย่างมากเขาก็ไม่สบายใจเพียงไม่กี่วันก็เดี๋ยวเขาก็หายอ คือเราไม่ยอมคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปวันนี้จะทำอย่างไรเขาจะรู้สึกอย่างไรชั้นใดก็เหมือนกันเวลาเราไปบวชก็เหมือนกับเราตายจากชีวิตของคารวะนี้ไปแล้วเวลาไปนี่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มี พ, มมพี่ไม่มีน้องแล้วเราไปเกิดในตระกูลของพระพุทธเจ้าแล้วไปเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีพระที่บวชก่อนเราเป็นพี่มีพระที่บวชหลังเราเป็นน้องเท่านั้นเองน ถ้าเราต้องการที่จะไปทางนี้เราต้องคิดแบบนี้เราถึงจะไปได้ถ้าเรายังคิดว่าเรายังเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนที่อยู่เราก็จะไปไม่ได้คำถามทั้งหมดพอดีอไม่อีกเอามาเอาสองไมโครโฟนมหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่า กายไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่ได้มีในร่างกายแล้วเวลาที่นึกถึงความตายเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตายมันไม่มีแม้แต่คาว่าตายแต่ใจก็ยังไม่ชอบทุกขเวทนาแล้วก็เวลาที่เราเป็นอิเลียบทเราเริ่มมีความรู้สึกที่ผิดแปลกกับร่างกายเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่รู้จักมัน เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่ได้เป็นตลอดมันเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นถักษณะนี้ควรจะแก้ยังไงคะก็ทําไม่เป็นตลอดนี่พิจารณาอยู่เรื่อยๆพอเราไม่พิจารณามันก็ลืมไปมันก็กลับไปคิดแบบเดิมคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ยังต้องคอยพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ลืมมันไม่หลงก็ขอบคุณค่ะโอเคนะ ก็หมดคำถามก็คิดว่าสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด